สีถ้านิมิตเกิดขึ้นให้ดูที่ใจตัวเองวงเล็บเปิด14มีนาคม25งพหอในวงเล็บสองวงเล็บปิดไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่ต้องไปดูที่ตัวนิมิตให้ดูจิตของเราเองเช่นอยู่ๆเห็นหน้าผีเป๊ะๆโผล่ขึ้นมานะใจเรากลัวเนี่ยให้รู้ว่ากลัวไม่ต้องไปดูที่นิมิตนั้นอะไรเกิดขึ้นดูที่ใจของเราเอง